หน้า5 3 3ก็จะซ้ำกับของเดิมนิดหนึ่งก็ก้าวข้ามมาที่5 3 8เลยก็ได้เรื่องของโสตาปยังคะความเป็น โสดาบันคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันพระองค์ตรัสว่าดูก่อนข้าพดีภัยวนหประการอันอริยสาวกทำให้สงบประมับได้แล้วในการใดในการนั้นอริยสาวกนั้น <c oughs> ย่อมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการด้วยและอริยญ า, ายธรรมย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยอริยสาวกนั้นเมื่อหวังจะพยากรก็พึงพยากรตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้ว <c oughs> ซึ่งกระแสมีทำอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรสัสรู้ธรรมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ดูก่อนข้าพเดีภายวนห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวก ทำให้สงบประงับได้แล้วดูก่อนข้าพดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นเป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้ว จากปานาธิบาตทำให้สงบประงับได้แล้ว <c oughs> ดูก่อนข้าพดีบุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในเวลาถัดมาบ้างย่อมเ <c oughs> สวยทุกทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะการถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นั้นเป็นเหตุภัยเวรนั้นนั้นเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอธินาทานทําให้สงบระงับได้แล้วดูก่อนข้าดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในเวลาถัดมาบ้าง สัมปรายิกแปลว่าเวลาถัดมา <c oughs> ย่อมเสวยทุกโทมานัตแห่งจิตบ้างเพราะกาเมสุมิชาจารย์เป็นปัจจัยภายเวณนั้นนั้นเป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิชาจารย์ทำให้สบงบประนับได้แล้วดูก่อนข้าบาดีบุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในเวลาถัดมาบ้างย่อมเสวยทุกทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาดเป็นเหตุภัยเวรนั้นนั้นเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาดทำให้สงบประงับได้แล้วดูก่อนข้าพเดีผู้ดื่มสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง <c oughs> ย่อมเสวยทุกโทมนัทแห่งจิตบ้างเพราะสุราเมรยัยสุราเมระยะปานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้น <c oughs> เป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุราเมริยะปานะทำให้สงบประงับได้แล้วดูก่อนขบดีภัยเวนหประการเหล่านี้แลอันอริยาสาวกทำให้สงบประงับได้แล้ว <c oughs> ประสูตรนี้ไล่ตั้งแต่การพ้นภายเวรหประการ <c oughs> ก็คือตัวสินทานนั่นเองนะเราต้องดูทุกคำว่า ทำผิดเป็นปกตินะเป็นปกติ <c oughs> <c oughs> ส่วนองค์แห่งโสดาบันสี่ประการศัทนธะาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนั้นะมีศีลอันเป็นที่รักของของพระร เ, เจ้าศรัทธายอย่างไรนะดูก่อนข้าพดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า <c oughs> ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น <c oughs> เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ <c oughs> เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ <c oughs> ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจาแนกทรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ดูก่อนข้าพเดี๋ดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้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 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดูกนข้าพดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัต เพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่ศักการะที่เขานำมาบูชา <c oughs> เป็นสงควรแก่ศักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญเชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ดูก่อนข้าพเดี๋ยวอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อย เป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสันเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิลูกลำเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ดูก่อนค้าพดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสีประการเหล่านี้แล <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> คุณสมบัติที่สองนะก็คือมีความเริ่มสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้านะตอนนี้คุณสมบัติที่สคืออะไร <c oughs> ดูก่อนค้าพเดีก็อริยญาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนค้าพเดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเพราะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณาและพระสถานโคตก็ไล่สายปฏิจจสุบาทไปจนกระทั่งถึงเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และ้ก็พิจารณาสายดับ <c oughs> ว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร <c oughs> เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณนะแล้วก็ไล่สายปฏิจจะจนกระทั่งฉลามรณะโสกปริเทวะ ทุกข์าโทรมันนั้นอุปายาศาสตร์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนข้าพอดีอริยายาธรรมนิแลเป็นสิ่งที่อริยาสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยดีด้วยนะแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยปัญญาเอาไปใค ร, คร้ครวนนะทบทวนไปมานะตั้งแต่ตัวกฎปฏิจจ กฎอิทัปปัจจยตาว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพระองตรัดว่าดูก่อนข้าพเดียภัยเวรหประการเหล่านี้อันอริยาสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วในการใดนะภัยเวรหประการนะ้หนึ่ง อันที่สองในการนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่านี้ด้วยประกอบด้วยโสตาปฏยังคัตสีด้วยและอริยญาณธรรมนี้ย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยก็คือเห็นสายปฏิจจาวงรอบการเกิดและวงรอบการดับ <c oughs> อริยาสาวกนั้น เมื่อหวังจะพยากรก็พึงพยากรตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีทรรมอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพานมีการตรสัสรู้ธรรมเป็นเบื้องหน้าดังนี้แล อันนี้ก็คุณสมบัติของพระโสดาบัน <c oughs> สข้อหลักๆสินห้าบริบูรณ์เริ่มสายพรนธะตะนะไตรายแล้วก็เห็นอริยญาณธรรมเห็นสายปฏิจจสุบาทิ บางครั้งท่านก็ตรัสว่าเห็นอริยญาณธรรมอย่างเดียวก็เป็นโสดาบันแล้วบางครั้งก็ <c oughs> บอกว่ามีโสตาปัญญคศีอย่างเดียวก็เป็นโสดาบันแล้วแต่ไม่มีที่ว่าพ้นภัยเวรห้าประการอย่างเดียวแล้วเป็นโสดาบันนั่นก็คือศินห้าบริบูรณ์เนี่ยยังแต่โสดาบันไม่ได้นะได้แค่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เป็นโสดาบันนะ <c oughs> ลองดูที่พระตะถาคตจัดไว้อีกพระสูตรหนึ่งนะก่อนที่จะจบหมวดที่9ในเล่มนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7็ดเม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย จัพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกลวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปเป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อสินเนรุนั่นแหละ เป็นสิ่งที่มากกว่ากลัวหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บรุดโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อนำไปเมื่อนำเข้าไปเปรียบเทียบกับเทื้อเขาหลวงชื่อซีเนรุย่อมไม่เข้าถึงหนึ่งถึงส่วนหนึ่งในร้อส่วนหนึ่งในพส่วนหนึ่งในแสนะ <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น การบรรลุคุณวิเศษแห่งสมณะปรามและปริภาชกผู้เป็นเดรัีเหล่าอื่นเมื่อนำเข้าไปเปรียบเทียบกับการบรรลุคุณวิเศษของอริยสาวกซึ่งเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในรส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้แหลมหาธิฆโมมหาพิญโยความรู้อันใหญ่หลวงการบรรลุอันใหญ่หลวงเพราะว่าไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปพวกสำนะัภสำนนภามหรือเดรธีเหล่าอื่นก็ บรรลุเหมือนกันแต่บรรลุอะไรคุณวิเศษของเขาเขาก็เหาะเหินเดินอากาศได้เขาก็เขา้าชา้นหนึ่งสสามสี่ได้อากาสานรรจายจตน ะ, นะบิน ญ, ญาณรรจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญาจตนะเข้าได้แต่หลุดพ้นไม่ได้ เพราะไม่เห็นอริย ส, สัจสีไม่เห็นการเกิดการดับนั่นเองนะพระองค์จึงบอกว่าโอ้โหมันไม่ได้หนึ่งในแสนเลยนะ <c oughs> ของความรู้อันยิ่งใหญ่นะที่พระโสดาบันได้เพราะความรู้ของพวกปริภาชกเมื่อเขาทำการละไปแล้วเขาก็ยังต้องไปเกิดในนรกกัเนศราชาหรือเปลตวิสัยอยู่